พอเล่าเรื่องนั้นจบพญานกกุนาระก็พูดกับสหายนะพูดกับเพื่อนว่าสหายปุณณมุขข่าเอย๋ยหญิงย่อมเป็นคนประทุสร้ายด้วยฐานะ23อย่างนะประทุสร้ายสามีนั่นเองหรือว่าประทุสร้ายผู้ชายมีอยู่23อย่างก็คือหนึ่ง ย่อมพรารนาการไปค้างแรมทางไกลของสามีเมื่อสามีไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึงนะอันนี้คืออย่างที่อย่างแรกคือชอบพูดถึงเรื่องการที่บางทีสามีต้องไปทางไกลนะอาจจะไปค้างแรมที่ไหนเนี่ยเสร็จแล้วพอสามีไปนี่ก็อะไรอ่ะ ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่หยหาอะไรอาวบนอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็น อ, อ, อะไรอ่ะเป็นเรื่องการกระทำที่ประทุษร้ายหรือหมายถึงว่าทำร้ายจิตใจอ่ะนะของผู้ที่เป็นสามีนะอย่างที่สองก็คือครั้นเห็นสามีกลับมาก็ไม่แสดงความยินดี คือไม่รู้สึกว่าอะไระน่าพอใจอะไรเลยจะไปก็ไม่อะไรอาวรจะกลับมาก็เฉยเฉยไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกประทับใจไม่รู้สึกอะไรทั้งสิน้นนะการกระทำอย่างเนี้ยในที่นี้เขาบอกว่าเป็นการทำร้ายสามีตัวเองนะสามย่อมไม่กล่าวถึงคุณงามความดีของสามีในเวลาไหนไหนเลย เรานี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ปัสสุสล่สามีเพราะ้พูดง่ายว่าไม่เคยชมอะ่ะไม่เคยชมหรือว่าไม่เคยยกย่องนะสามีของตัวเองสามีจะไปทำดีจะไปทำอะไรที่น่าอะไรอะ่ะน่าสรรเสริญยังไงก็ไม่พูดถึงพูดง่ายว่าเฉยๆลูกเดียว อันนั้นเป็นอย่างที่สามะนะส่วนอย่างที่สี่หญิงเป็นผู้ไม่สำรวมอันนี้เขาบอกข้อที่สี่นะเนี่ยหญิงย่อมไม่สำรวมคำไม่สำรวมก็แปลว่ามักจะไม่ระมัดระวังไม่ระมัดระวังเนื้อตัวไม่ระมัดระวังกายวาจาอะไรต่างๆนะซึ่งบางทีแล้วอาจจะ อะไรอ่ะนี่แหละจะเรื่องเสื้อผ้าเป็นเรื่องการนุ่งโฮมเหมือนข้อต่างๆที่เราได้ฟังไปแล้วอ่ะนะหรือว่าบางทีกิริยาอาการท่าทางการเดินหรือการไปไหนมาไหนการพูดจาการแร่งต่างอันนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่สำรวมคือมักไม่ระมัดระวังการไม่ระมัดระวังนี่แหละทำให้อาจจะทำให้ เป็นการทําร้ายสามีของตัวเองนะ่จะเป็นข้อที่4ส่วนข้อที่5ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สามีคือมักจะทําอะไรที่มันไม่ได้ให้คุณให้ประโยชน์ให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับสามีนะมันจะตามมาด้วยข้อที่6ว่าย่อมทําประโยชน์ของสามีให้เสื่อมไป อือข้อที่ห้าเนี่ยไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับสามีแล้วนะข้อที่หกเนี่ยยังทำประโยชน์ที่สามีมีอยู่เนี่ยให้หมดไปซะอีกเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สร้างอะไรอะ่ะเหมือนกับไม่ไม่สร้างความดีให้อะ่ะแล้วก็ยังทำความดีของของสามีเนี่ยหรือว่าของผู้ชายเนี่ยให้หมดไปซะด้วยสิไม่เพียงแต่ไม่ช่วยนะยังทำลายอีกด้วย อันนี้อันนี้เราก็นึกเอานะมันก็คงจะแล้วแต่ตัวอย่างเราก็นึกตัวอย่างเอาเองก็แล้วกันอันนี้พูดโดยกลางๆพูดโดยรวมๆนะแล้วก็ข้อที่เจ็ดย่อมกระทํากิจที่ไม่สมควรแก่สามีคืออะไรที่ควรทําเนี่ยมักจะไม่ทําแต่อะไรที่ไม่ควรทําจะทะํอะ่อันนี้บาง อันนี้คงต้องเรียกว่าผู้หญิงขวางโลกเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงขวางสามีไม่ใช่ขวางโลกอะไรนะป ล, ปล่อยวางเหรอมันไม่ใช่สิถ้าปล่อยวางมันก็ไม่สนใจเฉยๆสิใช่ไหมปล่อยวางสามีจะทำไงก็ช่างอันนี้ไม่ทำกิจที่ควรทำไงอย่างเช่นสมมุติว่า อะไรอ่ะอยู่บ้านควรที่จะดูแลทำความสะอาดบ้านช่องเรือนชานหรือว่าบางทีอะไรอ่ะหุงข้าวอะไรอ่ะซักผ้าหรือปัดกวาดที่รับที่นอนหรืออะไรเงี้ยไอสิ่งที่ควรจะทำอ่ะคือสมมติว่าสามีไปทำงานภรรยาอยู่บ้านอย่างนงี้ยภรรยาก็ควรทาอย่างเงี้ยทากิจที่ควรทำแต่ปรากฏว่าไม่ทาไงก็ปล่อย จะยังไงก็ช่าง น, นั้นข้อที่เจ็ดส่วนข้อที่แปดคุมหัวนอนเบือนหน้าไปทางอื่นอันนี้ขมำๆนะคือพูดง่ายว่านอนอยู่กับสามีใช่ไหมแต่ว่าเอาผ้าคุมโปงเลยพูดง่ายเอาผ้าคุมโปงเลยแล้วก็หันหลังให้นะเ บ, บือนหน้าไปทางอื่นเนี่ยก็เหมือนกับหันหลังให้อะคือหันหน้าไปทิศอื่นซะ ไปทางอื่นซะไ ม, ไม่หันหน้ามาทางสามีไอ้อย่างนี้คงทะเลาะ ก, กันทลามั่งแต่ในที่นี้เขาคงไม่ได้หมายถึงว่าทะเลาะ ก, กันนะนะแต่เขาคงหมายถึงว่าไม่เอาใจใส่อะไม่ใยดีอะไรกับสามีาส่วนข้อที่9ก้าย่ำนอนพลิกกลับไปกลับมาเออใครนย่อม นอนอยู่กับสามีเนี่ยแต่นอนพลิกกลับไปกลับมาคือแสดงอาการอะไรไอ้ลักษณะของการนอนพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยนะไอ้น้อยไม่หลับแล้วมันใช่อยู่แล้วอ่ะแต่มันแสดงอาการอะไรลหละก็ก็เหมือนกระสับกระส่ายนี่แหละแต่ให้เห็นถึงอะไรอ่ะไม่ชอบใจไงแสดงอาการแบบไม่ชอบใจแบบรังเกียจไม่พอใจไม่ถูกใจพลิกไปพลิกมา ใช่ถ้าคุณพลิกไปพลิกมาเนี่ยคนนอนข้างๆจะเป็นไงก็พลอยนอนไม่หลับไปด้วยใช่ไหมก็พลอยรู้สึกเอ๊ะยังไงนี่นั่นแหละอันนี้อันี้เนี่ยนะคือลักษณะอย่างหนึ่งของการประทุษร้ายสามีว่ามาหลังนอนนอนนิ่งๆหน่อยนะไม่ได้นอนพลิกไปพลิกมาอ่ะนั่นอย่างที่เท่าไหร่ละเก้าอย่างที่สิบนอนถอนหายใจทำวุ่นวาย อัะมาะอ่านแล้วบางทีกันขำๆเหมือนนะนอนนอนถอนหายใจทําเป็นบุ้นวายหมายความว่าไงอ่ะเอาสุ่ว่านอนนอนอยู่ด้วยกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็ถอนหายใจเพื่อของมันเงี้ยเดียเด๋ยวๆนอนอยู่แล้วก็ถอนหายใจเพื่อกณจะรู้สึกไงอ่ะคนที่นอนใกล้ๆจะรู้สึกยังไงเออเอาอาจจะลาคาญหรืออาจจะไงอาจจะไม่ใช่ลาคาน่ะจจะอาจจะ ฮะ <Huh? S 2> ไม่จะยินไหนผู้ดังๆเอยทีหมายถึงใครอื่นอัดอะคนที่ถอนหายใจหรือคนที่ได้ยินเสียงหายใจอ๋อลุกสึกว่าคนที่ถอนหายใจนี่คองอื่นอัดอะไรอาจจะไม่อึดอัดก็ได้อาจจะเศร้าอะไรก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมแต่มันก็ทําให้คนที่นอนอยู่ใ ก, ใกล้ๆเป็นไงล่ะ อก็ทำให้คนที่นอนอยู่ใกล้ๆรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจไปด้วยละถอนหายใจอย่างนี้ไม่รู้ปรงปลังอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนนอนใกล้ๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วแหละถ้าเขาไม่อยากยินก็นแล้วไปนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่านอนอยู่ใกล้ๆการเสียจแล้วก็เนี่ยทำวุ่นวายด้วยนะเขาบอกว่าถอนหายใจทําเป็นวุ่นวายซึ่งให้เห็นว่าคงไม่ชอบใจคงไม่พอใจหรือ ทุกร้อนใจอะไรเนี่ยนะซึ่งมันทําให้คนที่นอนอยู่ด้วยนี่ไม่เป็นสุขแน่ๆละซึ่งลักษณะนี้อาะจะมาบอกแล้วนะว่าคือลักษณะอิทธิภาวะคือบางทีเราอึดอัดเราไม่พอใจเราอะไรเงี้ยคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ทําเป็นอย่างนั้นทําเป็นอย่างนี้คุณคุณไม่ต้องเป็นนึกถึงตอนนอนคุณนึกถึงตอนปกติอ่ะบางทีทำงานอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะ เ, เดี๋ยวก็ถอนหายใจ เดี๋ยวก็ถอยหายใจกูจะดึกไงอะ่ะหรือว่าทําเป็นกระสากระสายอย่างนั้นอย่างเงี้ยคุณทํางานด้วยคุณเอ๊ะอะไรของมันว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณก็ยังจะรู้สึกเลยต่อให้ไม่ต้องเป็นสามีภรรยาหรอกนะต่อให้คนข้างข้างข้างเคียงเราอะคนที่ใกล้ๆเราอ่ะคนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยถ้ามันมีอาการลักษณะอย่างเงี้ยทําอยู่ด้วยกันแล้วพอจะคุยอย่างเงี้ยเอาเบือนหน้านี้ไปทางอื่นพอะจะคุยเอาเบือนหน้านี้ไปทางอื่นคุณจะรู้สึกยังไง ใช่ไวันลักษณะอย่างเนี้คือลักษณะอิถธิภาวะใครมีใครเป็นแล้วอึดอัดไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรเราก็ไม่ฮะนะไม่คุยด้วยไม่พูดด้วยหรือว่าทำกิริยาอาการที่มันแสดงให้เห็นถึงความอะไรอ่ะไม่ชอบใจความความอะไรฮะความอะไรนะ ความรังเกียจอ๋อใช่บางทีก็รังเกียจนะัรังเกียจแล้วก็เลยแสดงอาการต่างๆ อ, อันนั้นข้อที่สิบนะนอนถอนหายใจทําวุ่นวายข้อที่สิบเอ็ดย่อมทําระทมทุกขย่อมทําระทมทุกขทําเป็นเศร้าแล้วก็อะไรอะ่ะเรียกร้องความสนใจอ้าวบางคนที่ทําเศร้านี่เรียกร้องความสนใจ ผู้หญิงบางคนเนี่ยถ้าทําเป็นแหม่ฉันเก่งฉันแน่ฉันอะไรงี้ยนะบางทีผู้ชายก็ช่างหัวเองเลย <c ười> <c ười> นะปล่อยไปเลยดีถ้าเก่งดีถ้าก็ปล่อยไปเลยแต่ถ้าบางทีเนี่ยผู้หญิงทําเป็นเศร้าๆนะทำเป็นทุกผู้ชายเนี่ยมักจะหลงตัวเองฉันต้องเก่งใช่ไหมฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องปกป้องผู้หญิงผู้ชายพวกเนี้ยโดนหลอกมาเยอะแล้วคือโดนผู้หญิงหลอกมาเยอะนะ ผู้หญิงก็ทําอ่อนแอก็ทําเป็นเศร้าๆอ่ะอันนี้ก็เข้ามากลางปีกจะหมอนี่นะก็เข้ามากลางปีกทําเป็นแหม่ข้านี้สมบูรณ์แข็งแรงเหลือเกิ น, นมาปกป้องนั่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหะแล้วเนี่ยก็เสดเสดผู้หญิงไปเยอะต่อเยอะแล้วเพราะเพราะลักษณะเนี้ยาจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอิทธิภาวะอย่างหนึ่งนะอันนี้ข้อที่สิบสอง ย่อมไปอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้าง boy boy อยู่บ่อยๆนะอันนี้มาแหมตีความไม่ค่อยออกเลยเป็นยังไงอันนี้ต้องถามผู้หญิงเองอะ่ะอู้งานเหรออู้งานเลยอาตมาน่ะก็ไปนึกต่อจากไอบอกว่านอนอย่างนั้นอนอนอย่างงี้นะอาตมาก็นึกว่า เอนอนอยู่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอยู่บ่อยๆหรื อ, อยังไงทำให้ทำให้สามีลำคาญหรือเปล่านะไม่รู้นะแต่มาก็นึกไปอย่างนั้นอ่ะนะอันเนี้ยเขาก็บอกนะเนี่ยเนี่ยนี่สิบสองข้อมาแล้วนะบอกว่าเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงที่ประทุสร้ายสามีอ่าส่วนข้อที่สิบสามย่อมประพฤติตรงกังข้ามกับสามีโอ้โหข่าวนี้ ห่ยง่ายนะสามีเดินไปทิศเหนือภรรยาเดินไปทิศใต้คือทำอะไรแล้วขัดแย้งกันหมดก็ไม่รู้ว่าเป็นสามีภรรยากันได้ไงนะเออเอา้ามันมันก็มีจริงๆอะนะเออทำไมบางทีโอ้โหไม่รู้เป็นวิบากหรือว่าอะไรโกรธเกลียดหรือไม่รู้อะไรกันมาชาติไหนมีจริงๆนะคู่อย่างนี้ก็มีจริงๆ พูดอะไรกันนีดพูดอะไรกันหน่อยไม่ได้เลยเพราะพูดกันไปแล้วขัดกันอยู่เรื่อยเลยขัดกันตลอดเวลาเออบางทีก็อารมณ์ดีๆมาเงี้ยนะอาจจะเป็นสามีก็ตามอาจจะเป็นภรรยาก็ตามอารมณ์ดีๆมาพอพูดไปเท่านั้นเองอ้าวอีกฝ่ายหนึง่งเขาก็ยังไม่ได้โกรธนะแต่เขาพูดขัดขัดคอกันอยู่เรื่อยอะพูดขัดแย้งกันอยู่เรื่อยอ่พอพูดขัดแย้งขึ้นมาคราวนี้ชักและชักวิวาทะเขาเรียกว่าเริ่มจะมีวิวาทะเริ่มที่จะเอาชนะกันแล้วคราวนี้ก็ ต่างฝ่ายต่างก็จะพูดเพื่อที่จะให้เหนือกว่ากันอย่างเนี้ยเขาถึงบอกว่าประพฤติตรงกันข้ามอย่างเนี้อยู่ก็ไม่เป็นสุขหรอกไม่ว่าสามีไม่ว่าภรรยาคู่ไหนวันถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเขาต้องหัดให้ให้ยอมไม่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมถึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าไม่มีการยอมเลยต่างฝ่ายต่างก็ขัดแย้งกันอยู่เรื่อย ถ้าอย่างนี้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเกิดขึ้นนะแต่นี่เขาพูดในแง่ที่เรียกว่าภรรยานะภรรยาที่ประพฤติตรงกังขามก็มีแต่จะทําให้สามีเป็นทุกข์เท่านั้นเองหรือถ้าไม่เป็นทุกข์ในลักษณะอะไรอะ่ะก็เป็นโทสะเป็นทุกข์แบบโทสะเกลียดชังกัน14ย่ําเงี้ยหูฟังเมื่อผู้อื่นพูด คือคือคื อ, คอชอบฟังคนอื่นพูดนะนะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะใครก็ตามเนี่ยชอบลักษณะเนี้ยคาว่าชอบเงี้ยหูฟังคนอื่นพูดเนี่ยคืออะไรหูยืนหูยาวประเภทพวกหูยาวเขาเรียกเนีชอบนะข้างบ้านเรืองเคียงหรือใครหรืออะไรเนี่ยชอบเหมือนเหมือนไ อ, อ้ขอก่อนก่อนูน้นอะ่ะที่บอกสอนรู้สอนถิ่นนะ่ยชอบนะัก ที่อยากที่จะอะไรอ่ะรู้เรื่องเขาแล้วก็อะไรอ่ะบางทีชอบทําตัวเหมือนนักสืบชอบทําตัวเหมือนนักสืบพวกเนี้ยทําไปทํามาแล้วนิสัยจะเป็นหวาดระแวงนะเออกับสามีตัวเองก็ตามหรือกับคนอื่นก็ตามอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเที่ยวต้องอะไรอยากรู้อยากเห็นไปทั่วซึ่งลักษณะอย่างเนี้ยไม่ดีหรอก ลักษณะอย่างนี้เนีย่ยอิทธิภาวะเต็มประตูเลยนะแล้วมันจะไปยุ่งวุ่นวายเรื่องชาวบ้านชาวช่องซะมากจนได้ที่สุดส่วนใหญ่แล้วเรื่องของตัวเองเนี่ยหรืองานของตัวเองเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ทาหรือมักจะทําน้อยเพราะว่ามัวไปสอนรู้สอนเห็นเรื่องของคนอื่นเขาซะมากส่วนเรื่องของตัวเองเนี่ยที่ควรจะเอามาคิดว่าเอออะไรที่เรายังบกพร่องอะไรเราควรแก้ไขเนี่ยมักจะไม่อะ่ะ ชอบไปรู้ความบกพร่องของคนอื่นแล้วก็เอามาเมาส์กันเนะี่ยเอามาเมาส์เนี่ยมันจะเรียกอะไรอ่ะเอามาเออเอามาดินทาเอามาเอามาพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นน่ะของของความผิดของคนอื่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆโอ้แล้วมันมากเขาอะ่ะนะเขาจะรู้สึกแมพอได้พูดแล้วโอ้โหเหมือนกับอะไรอะ่ะได้กินน้ํา อมฤตได้กินน้าอันโอชารสอันนี้อันนี้เป็นนิสัยอย่างหนึ่งของผู้หญิงนะที่จะเป็นมากเลยเพราะวงการดินทานี่ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายผู้ชายก็มีนะแต่ผู้ชายมีน้อยกว่าเพราะเราจะสังเกตได้เลยผู้ชายผู้ชายถึงหยวนหยวนหยว น, หยวนได้ง่ายส่วนใหญ่นะเ อ, อแล้วบางทีใครอะไรไปแล้วก็เออช่างหัวมันปะแล้วก็แล้วไปอะไรอย่างนี้นะ แต่ผู้หญิงนี่โอ้โหยอมยากยอมยากมากเลยบางทีก็ขุดมาพูดไม่รู้กันกี่ปีแล้วอันนี้อันนี้บอกตรงๆเลยมาสังเกตจากบางทีอาจมาไปไประชุมมาหลายๆที่หลายๆแ ห, ห่งปัจจุบันนี้คนนี้ทำผิดเราก็พูดถึงเรื่องความผิดของคนนี้อยู่นะเราอาจจะพิจารณาหรือตัดสินโทษของคนนี้แต่ปรากฏว่าโอ้โหเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้ พูดแล้วบอกคนเนี่ยเนี้ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ระวังนั่นเนี่ยถ้าอาตมาเนี่ยบอกแล้วเจออันนี้มาเยอะแล้วถ้าไม่ระวังนะคือไม่ถามว่าเรื่องเนี้ยที่ว่าเขามีความผิดเนี่ยเมื่ อ, อไหร่ถ้าหรือถ้าลืมถามตรงเนี้ยเสร็จเลยเสร็จเลยทุกทีแหละถ้าลืมถามตรงเนี้ยเพราะบางทีโอ้โหเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วน้นโอโ้ยกมาพูด พูดอย่าง ก, กว่าเขาเพิ่งทําผิดเมนนื่อวานเนี่ยแม่ไอเราฟังเราไม่ระวังเนี่ยจริงๆเลยนึกว่าเขาทําผิดเมื่อวานนี้เพราะมาพูดเหมือนอย่างกับตาเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เวลาเขาพูดให้ฟังเนี่ยอันมานทุกบอกโอ้โหถ้าเวลาผู้หญิงประชุมกันเนี่ยนะผู้หญิงมารวมกันเนี่ยนะโอ้เวลายิ่งพูดถึงเรื่องความผิดคนอื่นนี่โอ้โหต้องระวังมากๆเลยต้องซักถามรายละเอียดให้ดีเพราะถ้าถามไม่ดีนะผิดเพี้ยนได้ง่ายมาก ปิเพี้ยนได้ง่ายมากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยทั้งการใส่สีตีไข่นะใส่เนี่ยโอ้โหเยอะเยอะผู้ชายเนี่ยบางทีถามอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรประชุมที่ไรอะไม่มีอะไรจริงจริงบางทีมีนะแต่มักจะไม่ค่อยมีอะไรชอบพูดอย่างเงี้ยเออ แต่ผู้หญิงนี่นะโอ้โหถ้าพยายามให้พูดนะโอ้โหคุณเอ้ยเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอ <c oughs> เยอะเหลือเกินโอโ้ทั้งยุม่มทั้งยิม้มทั้งเรื่องเล็กทั้งเรื่องน้อยเยอะมากเยอะมากจนหน้าเวียนหัวจริ <c oughs> <c oughs> จริงๆอาตมาถึงบอกโอ้ยอาตมาเนี่ยเนี่ยยิ่งยิงยิ ง, ยงอ่านเรื่องนี้นะบอกตรงตร ง, งเลยชาติหน้าฉันได้อย่าไปเกิดเป็นผู้หญิงเลย <c oughs> หวังไม่ว่าอย่างนั้นนะมันจะพยายามไม่ให้ไปสั่งสมไอ้อิทธิภาวะอะไรพวกเนี้ยจะได้ไม่ต้องไปให้จิตวิญญาณเนี่ยมันไปมีเจริตนิสัยแบบผู้หญิงเพราะถ้าจิตวิญญาณเนี่ยมันไปไปสั่งสมจริตนิสัยแบบผู้หญิงแล้ว <c oughs> ก็เป็นอันหวังได้สิถ้าจิตวิญญาณคุณเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะร่างที่มันจะเข้ามารับจิตวิญญาณ น, นี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพจิตวิญญาณ น, นี้ยกเว้นบีบากกรรมที่ไม่รู้แหละ ใครไปทำมาทำให้มันไม่ลงล่องลงช่องทำให้ไปเป็นกระเทยนั่นแหละ อ, อืาะฉนนั้นก็เบนกรรมจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราเองเนี่ยเราอยากจะมีจิตปัญญาออให้เกิดเป็นผู้ชายให้ได้ต้องพยายามนะสั่งสมเพราะนั้นอย่างเนี้ยหัวข้อที่สิบสี่เนี่ยนะชอบไปเงี่ยหูฟังคนโน่นคนนี้อะไรเขามันพยายามเลิกนิสัยอย่างนี้บางทีเนี่ย ไม่รู้บ้างกระช่างมันมาเลยรหัดทาใจเราเนะี่ยบางทีเนี่ยมันอดใจไม่ได้จริงๆนะอาตมารู้สึกผู้หญิงเนี่ยบางทีคันหูอะ่ะนะมันมันต้องต้องไปอะไรอะ่ะไปเที่ยวเวหาที่ฟังให้ได้นะต้องฟังที่นั่นต้องฟังที่นี่ให้ได้ไม่รู้เป็นยังไงอาตมานะถ้าคราวไหนเนี่ยถ้าเกิดมีความรู้สึกอย่างนี้มีมั้งกันบางครั้งบางครั้ง เห็นคนพูดสักห่างๆ ห, หน่อยอย่างเงี้ยห่างๆเราสักหน่อยนะจริงๆเขาก็คุยของเขาอ่ะสมมติว่าเราอาจจะนั่งของเราอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกบางทีคุยๆแล้วมันแว่แวๆมาบ้างอ่ะแวองงแวอย่างนั้นแววอย่างยี่บ่บ้างเราก็เอ๊่ยังไงวะใช่ไหมชักสนใจมั้งกันนะบางทีชักสนใจชักอยากอยากรู้มั้งกันนะเอ๊ะคุยอะไรกันพอพอเรารู้สึกว่าชักเอ๊ะอยากจะรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยคุณสังเกตมไหมล่ะเราเริ่มแล้วคราวนี้ไอ้ไอ้ที่เราทําอยู่ชักจะไม่ค่อยทําแล้วนะมันชักจะ ตั้งใจฟังว่าเขาคุยอะไรกันอ่าอย่างเนี้ยมันชักใจนั่นแหละถ้าเป็นภิกษุนี่ไอ้นั่นเลยนะพระเจ้าท่านปรับอาบัตนะเที่ยวขนาดเที่ยวแบบว่า ไ, ไปเหมือนกับว่าไปแอบฟังเขาพูดกันเนี่ยยิ่งถ้าเป็นมีเรื่องมีราวหรือมีกรณีอยู่แล้วเที่ยวไปแอบฟังเขานี่ปรับอาบัตนะมีความผิดเพราะคุณคิดดูนะเนี่ยพรเจ้าท่านก็รู้ว่า ไอเจลิติสัยแบบเนี้ยมันไม่ดีอืมแล้วมันเป็นเป็นนิสัยแบบผู้หญิงมากเลยเพราะฉถ้าเรารู้เข้าใจเงี้ยเราพยายามถ้าเราเกิดมีลักษณะเกิดสภาวัจจิย่างี้ขึ้นมาให้รู้ตัวเลยบอกเอ้ยอย่างงี้ไม่เข้าท่าละอย่างงี้ไม่ดีละช่างเลยคราวนี้เราก็ตัดเลยเขาจะกลุยมยังไงกันก็ช่างเขาเราทํางานของเราเราก็พยายามมีสมาธิเราแต่ถ้าสมาธิมันไม่ไม่แข็งพอกูนั่งทําไปแล้วก็หูมันก็จะไปอ่ะนะ คุณนั่งทำแล้วหูมันก็จะไปถ้าอย่างเงี้ยให้รู้แล้วโอนั่งตงั้นไม่ไหวแล้ว ย, ย้ายย้ายที่ไปไกลห่างๆหน่อยที่จะไม่ต้องได้ยินเสียงเขาคุยกันนะักหูมันจะได้ไม่ต้องเอียงไปฟังอย่างเงี้ยฝึกเลยฝึกเราจะได้แก้จะหลดแก้นิสัยเราได้นะอ น, นันข้อที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าล้างพลานสมบัติ นาะย่อมกระทำทรัพย์สมบัติที่สามีได้มาโดยยากโดยลำบากทำมาได้โดยฝึกเคืองเก็บสะสมไว้ได้ด้วยความยากแค้นให้พินาศสิ้นไปนะอันนี้คือข้อที่15อันนี้คงไม่ต้องแปลอันนี้ย่อมหมายถึง อ, อ, อิทธิภาวะอย่างหนึง่งนะของความเป็นหญิงก็คือลักษณะ ข, ของการใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุรายมันผู้ชายคนไหนก็ตามที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะบางทีไม่มีความจําเป็นเลยก็ชอบชอบชอ บ, ชอบที่จะอา้อาวซื้อมาซื้อมาวันที่มีอยู่แล้วก็เอาซื้อมาซื้อมาเอาเผื่อไว้เยอะๆอะไรเงี้ยซื้อมาเผื่อไว้เยอะๆคุณสังเกตไหมวันผู้หญิงเนี่ยชอบเผื่ออยู่เรื่อยอะเผื่อเยอะๆด้วยวัน ข่าวไหนเนี่ยถ้าผู้หญิงจัดอาหารมาให้เนี่ยอาตมารู้เลยเนี่นีผู้หญิงจัดมาให้จัดอย่างเงี้ยจริงๆริงนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยพูดจากความเป็นจริงผู้หญิงจัดมาให้นะโอ้โหเป็นชามเป็นกละมังมานย่เต็มไม่หมดเลยนะไม่รู้จังกี่สหรับเนี่ยบางทีจัดมาให้อาตมาชานอย่างเงี้ยรู้เลยโอ้โหเนี่ยผู้หญิงจัดเนะี่ยจัดอย่างเงี้ยนี่ใส่ผู้หญิงรู้เลยแต่ถ้าให้เพื่อนสมทนาด้วยกันจัดนะแหมทําไมจัดน้อยจังเลยท่าน จริงมันเป็นไปตามนั้นเลยว่าสังเกตดูแต่ส่วนใหญ่นั่นเนี่ยนี่เราจมาพูดตามตามสภาวะจริงๆจากส่วนใหญ่มันรู้ได้เลยว่าใครจัดให้ว่าจะเป็นผู้ชายจัดหรือเป็นผู้หญิงจัดคำคำว่าผู้ชายจัดหรือว่าผู้หญิงจัดเนี่ยหมายถึงบอกนะเป็นเป็นสายที่เป็นอิทธิภาวะหรือเป็นสายที่เป็นปุริสภาวะเพราะว่าถ้าเป็นสายที่เป็นอิทธิภาวะเนี่ย จิตเนี่ยมันจะเผื่อให้อยู่เรื่อยสมมุติว่าถ้าอาจมาเกิดสภาวะอิทติภาวะเนี่ยหรืาจะจัดให้ใครสักจัดให้เพื่อนสมณะรูปไหนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ๊สภาพอิทติภาวะเกิดขึ้นเนี่ยเอย๊เราไม่ค่อยคุ้นกับท่านนะสมมุตินะเราไม่ค่อยรู้จักท่านเนี่ยเดี๋ยวกลัวท่านจะไม่ชนนอบใจกลัวท่านจะอะไรอ่ะฉันน้อยไปกลัวท่านจะอะไรต่ออะไรอนะ่ะในถ้าเกิดสภาพอย่างนี้นะเหมือนกันเนะ่ยข่าวนั้นก็ จัดให้เยอะๆหน่อยจัดให้เยอะๆหน่อยเพราะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ถูกใจท่านนแต่ถ้าปุริสภาวะเนี่ยคนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ค่อยกลัวเนี่ยจะมาบอกคุณแล้วจัดตามที่คิดว่าพอเหมาะพอสมจะจัดไปเผลอๆก็ค่อนไปในทางน้อยด้วยอันนี้น เ, นเนี่ยคือลักษณะ ส, สภาวะจิตแบบแบบปุริสภาวะมันจะโน้มไปในทางนี้เพรา ะ, ะเคยพูดอยู่บ่อยๆว่า ถ้าพวกเราแต่ละคนเนี่ยใครพยายามไปสังเกตอิทติภาวะกับปุริสภาวะในตัวเราแต่ละคนเนี่ยที่มีอยู่จริงๆทุกคนจะต้องมีทุกคนนะนะทั้งสองอย่างเนี่ยไปสังเกตดูว่าเอออะไรเราอิติภาวะมากก็พยายามลดลดลงอะไรเรามีปุริสภาวะดีอยู่แล้วเราก็พยายามดำรงรักษาไว้ให้เหมือนดีอย่างเงี้ยถ้าทำไปแล้วนะคนนั้นเนี่ยจะทุกน้อยลงแค่ถ้าคุณแยก ปุริสภาวะกับอิทธิภาวะของตัวเราเองให้ได้แล้วลดอิทธิภาวะลงเพิ่มปุริสภาวะของตัวเองให้มากขึ้นรับรองเลยทุกข์ต่างๆที่เคยมีเคยเจอเคยเป็นเนี่ยนะกูจะลดลงค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามสภาพที่เราปฏิบัติได้จะเป็นไปตามนั้นเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้ด้วยนะ อ่าพอบอกแล้วถ้าคุณปรับสภาพนี้ได้เนี่ยจะชาติไหนๆ น, นี่มันก็หล่อเลี้ยงจิตวิญญาเราไปเรื่อยๆนะอันนี้อันนี้ข้อที่สิบห้านะอันนี้หมายถึงเนี่ยพรานสมบัติของสามีก็คือนะ่ยความฟุ่มเฟือยต่างๆความฟุ่มเฟือยนี่ไม่จําเป็นต้องหมายถึงแค่เงินทองนะนแม่ทรัพสมบัติหรือแม้แต่อารมณ์ของกิจใจเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ เปลืองใชอ้อารมณ์สิ้นเปลืองมาก